5.9, จุดเก้าถ้าผิดแล้วอย่าไปคิดซ้ำวงเล็บเปิดยี่สิเอ็ดมีนาคมสองพันห้ารอยห้าสิบอดในวงเล็บสองจุดจุดนาทีเจ็ดสิบสองวงเล็บปิดอยู่ในโลกนะพระพุทธเจ้าบอกว่าอยู่ในโลกนะจะประพฤติทธรรมจะถือศีลให้บริสุทธิ์หมดจดนี่ยากเพราะโลกมันสกรปรกแต่ว่าเมื่อเราทำผิดศีลผิดธรรมไปแล้วเนี่ยอย่าไปคิดซ้ำเราต้องแบ่งเวลาเราเป็นช่วงเล็กๆนาทีนี้เราพลาดไปแล้วโกหกไปแล้ว เวลาที่เหลืออีกสามชั่วโมงไม่ได้โกหกเห็นไหมส่วนที่ดีมีเยอะนะแต่เราก็ไม่มองส่วนที่ดีเรามองแต่ส่วนที่เลวเหมือนเรามีผ้าขาวผืนหนึ่งสะอาดขาวทั่วผืนเลยมีอะไรเปื้อนอยู่นิดเดียวเราจะดูแต่ลอยเปื้อนเราไม่ดูว่าผ้าส่วนใหญ่มันสะอาดเราจะไปวนเวียนโอ้ยเปื้อนอยู่นั่นเปื้อนอยู่นั่นคิดซ้ำอยู่อย่างนี้แหละนะให้ดูนะส่วนที่ดีมันเยอะกว่าส่วนที่ไม่ดีจะไม่ให้มันไม่ดีเลยเนี่ยไม่ได้อยู่กับโลกมันเป็นอย่างนั้นแหละ